คำแนะนำในการภาวนาของท่านก ร, รมลชิราแปลและเรียบเรียงโดยชยะธมโมพิกุสารบันเบื้องต้นเหตุแห่งสัพพัญยุตายานมหากรุณา เริ่มต้นที่พิจารณาความเสมอภาคความรักความเมตตาความการุณาโพธิจิตโพธิจิตสัมพันธ์โพธิจิตอันยิ่งสมถวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาสมดุลกันสิ่งเกื้อหนุนต่อสมถภาวนา สิ่งเกื้อหนุนต่อวิปัสสนาภาวนาเข้าสู่การภาวนาการนั่งการปฏิบัติสมถวิปัสสนาเริ่มต้นที่สมถะเข้าสู่วิปัสสนาการพิจารณาสุญญาตาการแก้ไขอุปสรรครักษาสมดุล ระหว่างสมถะและวิปัสสนากุศโลบายอันเยี่ยมบารมีหกกุศโลบายและปัญญาประสานเป็นหนึ่งอานิสงส์